เพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจหรือได้ความทุกข์ยากลำบากสักปานใดก็จกไม่ทิ้งธรรมมนุษย์ที่ยังมีอาสวะอยู่ในใจนั้นย่อมจะมีการพลั้งเผลอประพฤติผิดธรรมไปบ้าง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 อันหนึ่งโรคมนุษย์ของเรานี้เต็มไปด้วยชีวิตอันประหาดพิสดารต่างชนิดและต่างรสชีวิตของแต่ละคนได้ผ่านมาและผ่านไปด้วยความระกรำลําบากทุกทรมานถ้าชีวิตมีความสุขก็จะต้องหวาดเสียวที่จะต้องจากชีวิตอันร่มเริ่มนั้นไปชีวิตนี้ก็ดีความรักก็ดีเป็นความร้ายโดยเฉพาะความรัก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 อันธรรมดาบุคคลนั้นเมื่อแสดงบทรักย่อมไม่ต้องการบุคคลที่สามแต่เมื่อต้องแสดงบทโศเพราะความรักเป็นเหตุนั่นแหละเขาจึงต้องการบุคคลที่สามสี่ห้าและต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดท่านทั้งหลายความรักความใคร่ช่างชาญฉลาดในการลวงล่อให้ไปติดเสียนี่กะไรด้วยเหตุนี้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 ยังมีแต่ความเข็นค่าราวีกันความเกิดขึ้นแห่งกิเลสตัณหาเป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ความทุกข์มีสาเหตุมาจากกิเลสตัณหาเป็นแดนเกิดและจะดับก็ต้องดับเหตุนั้นพึงดูจากความร้อนเมื่อไฟยังลุกโรลงอยู่ความร้อนหาได้ดับไปไม่แต่ถ้าต้องการให้ความร้อนดับต้องดับไฟซึ่งเป็นบูนเหตุนั้นฉันใด